บุกทูเจสิบหกเจ็ดสิหกเหตุผลบางประการสองทำไมคุณไม่ได้มาล่ะคะ ดิฉันไม่สบายค่ะ bio bolism b o l e s t a bolesna ดิฉันไม่ได้มาเพราะไม่สบายค่ะ ja ni sam doslo dosla jer sam bio b o l e s t a bolesna ทำไมเธอถึงไม่มาล่ะคะ za t o ona nije เธอเหนื่อยค่ะ Ona um เธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยค่ะทำไมเขา a ึงไม่ได้มาล่ะคะทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะคะ เขาไม่มีอารมณ์ค่ะ On nie b o rozpolożen เขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาค่ะ On nie d o s z ł j e s c nie b o rozpolożen ทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาล่ะคะ z a t o wi nieste doszli รถของเราเสียค่ะนัชออโต้ปกวารินเราไม่ได้มาเพราะรถของเราเสียค่ะม je i นิ m โ d o ดชลีย r ริย a s ัชออโต้ปกวาร e นทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาคะซาสโตลูดี i ิสุโดช l i พวกเขาพลาดรถไฟค่ะ Propustili su voz. พวกเขาไม่ได้มาเพรา ะ, ะพวกเขาพลาดรถไฟค่ะ Oni nisi d o l i y e u propustili voz. ทำไมคุณถึงไม่มาคะ Zasto ti nisi dosao dosla? ดิฉันไม่ได้รับอนุญาตยานิซม์สมิโอดิฉันไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาตย า, านิซม์โดชลาโดชลาเย็นน i s ม์สมิโอสมิเล